ทานฟังที่เคารพค่ะทานกังฟงรายการสันนิษฐานาอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอนะคะสถานีวิทยุที่ก็ทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีของประชาชนค่ะไม่ว่าจะในยามทุกอย่างใดนะคะก็จะร่วมทุกขกับท่านในส่วนของรายการธรรมะของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็าอยากจะให้ท่านได้เห็นว่าเมื่อจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นธรรมะของพระศาสดาที่ตรัสเอาไว้เป็นผู้ทวัตจนะ มาถึงทุกวันนี้นั้นช่วยท่านได้เมื่อถึงเวลาที่จะได้สนทนาธรรมนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระพิบูลอภิปุโนวัดป่าดอนไสโซดอนธานีซึ่งตอนนี้ทําหน้าที่เป็นศูนย์รับผู้อพบพยพหนีน้ำท่วมอีกแห่งหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเองโดยวัดนะคะเพราะความอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้คลายความทุกข์นั่นแหละคะ่ะเราไปพบกับพระพบูลอภิปุโน จวัดป่าด อ, อนหาโซกันเลยนะคะนมรดกการท่า น, นะคะเจริญพรค่ะถ้าพูดถึงผู้อพยพหรืผู้เราจะใช้คําว่าศูนย์พักพิงดีกว่าต่มาว่าค่ะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยก็ชื่อว่าจะเรียกว่าเป็นอาสาสมัครไปในตัวอัตโนมัติเลยก็ได้ค่ะงน้อยคุณก็ต้องมากวาดล้างวัดช่วยวัดไหน่อยค่ ะ, คะหรือว่าถ้าเราไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าเรามีความสามารถในการที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยช่วยช่วยเหลือกันก็ถือว่าเราเป็นอาสาสมัครเป็นในตัวไม่เป็นภาระของใครมากค่ะนนเนตอนนี<ม>้ก<ม>็มีภาพพวกนี้ให้เห็นอยู่เหมือนกันนะคะ<ม>ว่าคนที่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงบางคนนะคะนอกเหนือจากช่วยอย่างนี้แล้วอื ม, ม, ม, มีสตางค์แม้จานวนไม่มากพอเห็นคนที่เป็นสื่อมวลชนหรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าจะเอาเงินตรงเนี้ไปช่วยที่อื่นได้ด้วยเนี่ย<ม><ม>ก็ฝากมาก็มีนี่ก็เป็น เป็นการปฏิบัติธรรมอะไรคะเนี่ยเ อ, อ่อเป็นการให้ถ้าเมื่อไหร่มีการให้การบริจาคเนี่ยจะเป็นหนึ่งในบริาการของจิตที่จะทําให้เราไม่ปลุกเวรไม่เบียดเบียนก็ได้ อ, อ, อ๋อค่ะท่านคะพูดถึงเรื่องธรรมะต่างๆที่สนทนามาในช่วงเวลาที่น้ําท่วมจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดถึงคำว่าน้ำท่วมน้ําท่วมบางคนที่เขบอกเลิกพูดกันสักทีได้ไหมบางคนก็เบื่อนะคะท่านคล้ายๆแบบว่ามันมีความเครียดนะ่ะพอได้ยินคำว่าน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยอยากจะอุดหู <c oughs> เพราะดูเหมือนกับว่าที่ไหนที่ไหนก็พูดกันแต่เรื่องนี้แต่รายการเนี้ต้องบอกนะคะว่าธรรมะเนี่ยไม่ได้ใช้แค่กรณีน้ําท่วมอืมอธรรมะเรื่องเดียวนี้ใช้ได้กับกี่กรณีคะท่านค่ะโอ้โหพู้รู้จับอกอย่างนี้บอกว่าเรื่องของริยะสัจสีเนี่ยมีการอธิบายแค่ริยะสัจสีนะแต่การอธิบายเนี่ยมีมากเป็นอเนกปริยายนะอเอาแค่เรื่องทุกอย่างเดียวเนี่ยพู้รูพูดคำว่าทุกอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหแต่มันมีมากอเนกปริยายเช่นอะไรบ้างเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมน้ําท่วม ไฟไหม้รองเท้าขาดตกถนนรถปาดหน้ากินข้าวไม่อิ่มอาหารมีแมลงมันอยู่ในมาตอมผมงอกโอ้พวกนี้เป็นความทุกข์ทั้งหมดมีอเนกประ ย, ยัยค่ะเอเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องอดทนที่ท่านพูดเรื่องเดียวนี่โอ้โห <c oughs> ก็ใช้ได้กับพวก <c oughs> พวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะออแก้ได้ทุกเรื่องว่าอย่างนั้นดีกว่าใช่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมาจากจิตที่มีสติไง ถ้าจิตเรามีสติอยู่ตัวเดียวใช่ไหมมันจะไหลออกเป็นความอดทนเป็นความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นจิตอาสาเป็นการให้การบริจาคแล้วมันไหลออกไปได้หมดทุกอย่างค่ะท่านพปบูลน์ค ะ, ะบ่อยครั้งมากเวลาที่ถามคําถามอะไรท่านไปท่านมักจะตอบในเรื่องว่ายาไิดาเขาอย่าไปว่าเขาอืม ใ, ในช่วงนี้เสียงกดด่ากันเยอะเหมือนกันนะคะ คนคนก็บอก่ามันหน้าด่าบางเรื่องแต่ดิฉันอยากจะกราบเรียนถามเพื่อทบทวนนะคะว่าเอ๊ะเพราะเหตุใดท่านให้ความสาคัญมากบางทีดิฉันไม่ได้ถามเรื่องที่มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับการด่าเลยท่านก็บอกว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นพระเจ้าสอนว่าการที่จะไปพูดวาจาคือคือเราต้องพูดอย่างนี้นะว่าการด่ากับการพูดมิจฉาวาจาเนี่ยมันจะไม่ใช่กรณีเดียวกันทั้งหมด และิจาวาจาเนี่ยคือการที่ใช้วาจาส่อเสียดใช่ไหมคือยุยงให้แตกกันการพูดคําหยาบพูดคำหยาบเนี่ยคือพูดให้จิตเขาออกจากสมาธิานะเป็นวาจาที่เสียดแทงหรืออย่างที่3คือการพูดเพ้อเจ้อย่างที่4คือการพูดปด <Okay. S 1> ทีนี้ว่าการด่าเนี่ยหมายถึงอะไรนะเราต้องทําความเข้าใจถ้าด่าเพื่อที่จะเป็นให้เขาแตกกันเพื่อให้คนนั้นเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรือคุณด่าเนี่ยเป็นวาจาเท็จพวกนี้คุณจะผิดหมด นะผิดหมดยกตัวอย่างของที่เขาพู ด, พดกันด่ากันในสังคมปัจจุบันอย่างเงี้ยนะก็จะเข้าข่ายในกรณีมิจฉาวาจาสมากแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งคืออย่างแม่ด่าลูกอย่างเงี้ยลูกไปเสพยาเสพติดแม่ต้องเรียกมาด่านะคือห้ามเสียจากบาปห้ามเสียจากบาห์ในหมายความว่าอะไรให้เขามีความกลัวงสมมติอาตมาเรียกสามเณรคนหนึ่งเขาทาผิดอย่างเงี้ยมาว่าว่าว่าอ่าถ้าเธอทําไมทําอย่างนี้อย่างนี้ทุกไหมว่าจะมีกรณีนี้เกิดขึ้น น้ ด, ด่าเนี่ยให้เขามีความกลัวในบาปให้เขามีความกลัวในบาปเอาพูดอีกครั้งหนึ่งห้ามเสียจากบาปเนี่ยคือให้เขามีความกลัวในบาปเนาะถ้าเขาทําไม่ถูกนะเราพูดอันนี้ไม่ถูกเพราะเห็นนี้เหตุนี้อันนี้ถูกต้องควรจะต้องทําอย่างนี้เพราะเห็นนี้เหตุนี้อันนี้เรียกว่าด่ามกันนะเพราะเราชี้ถูกชี้ผิดใช่ไหมจึ่งเป็นคําให้เขากลัวในสิ่งที่เป็นบาปอันนี้เราต้องทํา อ <Okay. S 1> ่าท่านถามว่าเอไอสิ่งที่เรากําลังจะพูดไปตอนเนี้ยมันมันมั น, ม, นมันคืออะไรถ้าคุณฟังคนหนึ่งเข้ามาคุณไม่ได้ข้อมูลมีการตรวจสอบคุณเทียบเคียงกับอะไรคําสอนพระเจ้าหรือว่าข้อมูลที่ลอยๆไม่มีหลักฐานอ้างอิงอันนั้นคุณพูดเผอเจออันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเป็นมิจฉาวาจาอ่า <Okay. S 1> แต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วคนนี้ข้อมูลนี้ถูกต้องนะอันนี้ถูกเป็นอย่างนี้อันนี้ผิดอย่างนี้ถูกสีหน้เป็นอย่างนี้ผิดผิดสีหน้ยอย่างนี้ เราควรจะอธิบายชีย้แจงว่าถูกคืออะไรปิดคืออะไรอันนี้ทําได้เนาะก็จะไม่เรียกว่าเป็นการด่า <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างในสภาเขาก็มีการอภิปรายใช่ไหมเอา <c oughs> เหตุผลมาชี้แจงกันอันนั้นเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้อง <c oughs> ไม่ใช่ด่าน ะ, ะ <c oughs> ไม่ใช่ยุยงหรือไม่ใช่ใช้คำหยาบพวกนั้นค่ะคือถ้าสมมุติว่าการด่าคือการพูดด้วยความหวังดีดิฉันใช้คำว่าหวังดีได้ไหมคะที่จะให้เขาเนี่ยกลัวต่อบา อ, อทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลต้องถูกต้องคุณอะไรเป็นมรตร ฐ, ฐานของความวาดีเอาศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมถ้าใช่ถูกหรือถ้าเอาความเห็นของตัวเองไม่ถูก อ, อค่ะคือคือเนี้ยนะคะหวังดีให้เขามีความกลัวในบาปอืแลถ้าอย่างนี้พอจะไหวไหมคะคือมีคําว่าหวังดีให้เขามีความกลัวในบาปหรือก็ยังไม่ได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลต้องถูกต้องอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็คือเกณฑ์ในการวัดของพระเจ้าคือศีลสมาธิปัญญา แต่ถ้าคุณทําผิดออกไปจากศีลสมาธิปัญญานะแล้วสิ่งที่สมมติมีบุคคลหนึ่งเขาทําผิดออกไปจากศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราจะไปบอกเขาว่าอะที่ถูกเป็นอย่างงี้นะที่ผิดเป็นอย่างงี้นะผิดแล้วอันนี้ส่งผลของความผิดจะเป็นอย่างนี้นะคุณพูดได้ค่ ะ, ะถึงแม้จะพูดแรงไปหน่อยพูดแรงมันก็จะต้องพูดให้เขาไม่พูดในลักษณะที่จิตเขาไม่ให้ออกจากสมาธิค่ะท่านครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นด่าแบบผิดไปจากหลักการ เมื่อสักครู่เนี้คะ่ะก็จะเข้าข่ายวาจาที่เป็นวาจาหยาบค่ะแล้วคนที่กล่าวออกมานั้นไม่ควรกล่าวเพราะวาจาหยาบมันเสียหายยังไงคะมันเป็นมิจฉาวาจาอันนี้สงของการที่เรากล่าววาจาหยาบเนี่นะจะทำให้เราได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจเพราะฉะนั้นคืออาตมาจึงบอกว่ามันไม่มีเหตุผลที่เราจะไปด่าใครนะด่าใครนี่หมายถึงการใช้มิจฉาวาจาเนาะ ท่านคดีท่านส่งสัยอย่างนี้สมมตินะคะออืในส่วนการที่ต้องการจะให้เขามีความกลัวในบาปที่ท่านบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยถ้าถ้าเป็นการพูดในลักษณะนี้แล้วถือเป็นการด่าเนี่ยทําได้เนี่ยแต่ว่าก่อนอที่จะเตือนให้เขากลัวจากบาปเนี่ยจิกหัวสักหน่อยหนึ่งจะได้รู้ว่าพูดกับใครอยู่ไ อ, อ้นั่นอีนี่อืโอเคไหมคะ ที่เหลืออยู่เป็นหลักเกณฑ์นนเดียวอันนั้นก็จะเป็นาวาจาไม่ใช่วาจาสุภาษิตเป็นวาจาทุพสิทธิ์ใช่ไหมเป็นวาจาที่ไม่น่ารักต่อผู้ฟังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรพูดทําไมเรื่องพูดนี่มันมีรายละเอียดเยอะจังเลยล่ะคะโอ้ก็ผู้ทชาเป็นผู้เนี๊บมากนะเรื่องคำพูดค่ะคุณหยมติว๋วบทเพลงชนะเนี๊บหมด จะสอนอะไรพระองค์ก็เนี๊ยบหมดคืออย่างเรื่องการสอนอย่างเงี้ยอย่างสมมติที่อาตมาบอกว่าห้ามเสียจากบาปให้ให้เขากลัวต่อบาปใช่ไหมอันนี้เป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของมารดาต่อลูกมารดาบิดากับลูกนะคหรือเป็นหน้าที่ของสมณะกับฆราวาสนะไอ้ถามว่าคุณเป็นเพื่อนกันนะ่ะคุณไปด่าก็ไม่ได้นะ่หมายถึงว่าคุณจะทําให้เขาไปกลัวบาปเนี่ยห้ามเขาเสียจากบาปไม่ใช่หน้าที่คุณแต่เป็นหน้าที่อะไรถ้าเพื่อนประมาทเราต้องรักษาเขาช่วยกันรักษา อ๋ออันนี้ท่านพูดหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกพระภิกษุกับครวะทั่วทั่วไปคารวะทั่วไปแต่ถ้าแบบกรณีคนทั่วทไปโดยเฉพาะตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตเนะคะด่ากันมันเลยเพราะว่าไม่เห็นหน้ากันด่าแล้วยังมีคนช่วยด่าต่อด้วยนะแชร์ก็ถามว่าเราอยู่ในฐานะไหนถ้าเรารู้จักกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยหน้าที่ของเราสำหรับมิตรที่ดีนะมิตรมีอุปการะเนี่ยหนึ่งในนั้นคือรักษามิตรที่ประมาท แล้วก็ห้ามเขาเสียจากบาปอั น, นั้นจะเป็นมิตรที่มีอุปการะมากถ้าเราต้องการอุปการะเขาในเรื่องนี้เราควรจะพูดให้เขาห้ามจากบาปตรงนี้ถ้าเราเป็นคนที่จะสามารถทําได้เราก็พูดได้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดอย่างนี้คุณยมติ๋วสมมติมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่พอใจเขาใช่ไหมค่ะหรือว่าเขาทําอย่างหนึง่งอย่างหนึ่งที่ทําให้เราไม่พอใจความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรานะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าเอถ้าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยตือนเขาไปแล้วเนี่ยจะทําให้เขาขัดเคืองด้วยนะ กรณีแรกเนี่ยคือมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรานะพอเราขัดเคืองแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทํำยังไงให้เห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เตือนเขาซ <c oughs> ะค่ะ <c oughs> นะให้เตือนเขาว่าให้เขาออกจากความผิดหรือให้ทําสิ่งที่ไม่ให้ไม่ถูกให้ถูกต้องนะหรือกรณีที่2แต่ถ้าเรากรณีที่2คือถ้าเราเตือนเขาแล้วเนี่ยนะปรากฏเขาจะมีความขัดเคืองขึ้นในจิตของเขา พนะพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เห็นความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิงของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยด้วยแล้วก็เตือนเขาซะถ้าเขาจะออกจากความผิดได้นะนี่คือกรณีที่2กรณีที่3ลึกขึ้นมาอีกนะบอกว่าถ้าเราเตือนเขาไปแล้วเนี่ยเขาจะขัดเคืองด้วยพนะพุทธเจ้าก็บอกว่าให้หาวิธีเตือนนะที่จะทําให้เขาออกจากความผิดได้<ฮ>ะนะแล้วก็คือให้เห็นความขัดเคืองในจริตของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยเห็นความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิงของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยหาวิธีใหม่มาเตือนให้เขาออกจากความผิดให้ได้ นะถ้ากรณีที่สี่นะถ้าคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเตือนหรือว่าเราเตือนแล้วเขาก็จะไม่ฟังจะไม่ทําอยู่ดีเนี่ยให้อุเบกขาจะค่ะให้นิ่งไม่ต้องพูดอืเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องบอกว่าคุณอยู่ในฐานะที่จะคุยเขาไหมว่าให้เขาออกจากความผิดจุด ป, ประสงค์ตรงนี้คืออะไรคุณโยมติวคือเพื่ อ, อออกจากความผิดเพื่อทําสิ่งผิดให้มันถูกว่างั้นเถอะถ้าคุณคพูดไปแล้วเขาจะไม่ไม่ไทําสิ่งผิดให้มันถูกขึ้นมาอย่าพูด มันเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปเตือนใครได้เป็นต้นนะอย่างถ้ามสมมติหลายขั้นตอนค่ะอ่ะถ้าสมมุติจะให้อดมาไปเตือนพระผู้ใหญ่อย่างเงี้ยว่าท่านต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้ท่านผิดอันนี้ท่านถูกนะว่าออดมาไม่พูดหรอออดมาจะอยู่เบกขาเอาควา ม, มกัดเกลือนที่เกิดขึ้นในจิตของเราวางซะ อ, อเพราะเรารู้ว่าเตือนก็เตือนไม่ได้เตือนท่านก็จําไม่ได้<ะ>ทําตามที่เราบอกน ะ, ะเพราะบางทีเนี่ยผู้น้อยทํางานกับผู้ใหญ่มันก็มีเหมือนกันนะคะแต่เห็นว่า ท่านไม่ไม่น่าใช่สิ่งที่ท่านทำมันน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งแต่มันก็ผู้น้อยกับผู้ใหญ่เนะี่ยวางตัวลำบากเขามีภาษาแบบอคาราวาธรรมดาพูดกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคำพังเพยอย่าเอากระดิ่งไปผูกคอแมวเลยก็มีนะคะแต่อันนั้นมันอาจจะกินความหมายมากไปกว่าที่ท่านพูดคือเหมือนกับว่ามัน ก็คืออย่างถ้าบางบางรูปบางองค์หรือบางคนเราพูดได้ใช่ไหมเรา ก, ก็ก็พูดได้ก็ได้แต่ถ้าพูดไปแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงประเด็นคือว่าพูดเขาแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนเป็นผู้ที่มากฤทธิ์ทิฏฐิอย่างเงี้ยเราก็นิ่งซะปล่อยวางครับประเด็นอันนี้ถ้าโดยหลักคือก็ต้องดูหลักก่อนว่าเราต้องการให้เขาออกจากความผิดใช่เราถึงต้องข่มใจเรามองข้ามความขุนเคืองของตัวเรามองข้ามความขุนเคืองของเขาหาวิธีแล้วหาวิธีอีกและสุดท้ายก็คือ นิ่งเสียดีกว่าปล่อยวางอย่างข อ, ขออนุ ญ, ญาตพูดถึงหลวงพ่อ น, นิดนึ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ได้พูดเอาไว้ว่าเอาถ้าท่านทําผิดอะไรนะไม่ถูกต้องให้เตือนท่านได้เลยอันนี้คื อ, อท่าน อ, าอนุญาตแล้วแล้วเราก็ขอโอกาสเตือนปุ๊บก็จะไม่มีปัญหาอแต่ต้องให้ท่านอนุญาตถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่คนทําค่ะเพราะไม่งนั้นผู้น้อยก็ลำบากใจใช่ถ้าไม่เปิดเปิดทางไว้ยอย่างนี้อืก็เลยกลายเป็นว่านั่งจมอยู่กับ ความแค่แรกฮเรอออยู่ก็โอมอ่ะพูดก็ไม่ได้คเพราะฉะนั้นในเรื่องของจะว่าใครจะด่าใครเนี่ยเราต้องใช้บทพิัญญ์ฉะให้ให้ถูกนิดนึงเตือนกับมิจฉาวาจานะี่ยเตือนทําได้มิจฉาวาจาไม่ควรทำํำแต่คนเราจะไปรวมกันตรงนี้ว่าเป็นคําด่าทั้งหมดนะไ ม, ะไ ม, ไม่ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วด่าก็คือดา่าด่าก็คือว่าไม่มีความหวังดีเป็นมิจฉาวาจาใช่ไหคะแต่ถ้า หากว่าอาจจะพูดจาไม่น่าฟังคนฟังเนี่ยอาจจะขุนเคืองในบางครั้งแต่เพื่อให้เขาออกจากความผิดเนี่ยก็ขอให้พยายามต่อไปจนคิดว่ามันพยายามไม่ได้แล้วก็อุเบกขาเสียไม่เกิดประโยชน์อันนี้เป็นหลักที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ใช้ททุกกรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีน้าท่วมหรือว่าจะเป็นกรณีที่น้าท่วมอยู่แค่ปากน่คะอันนี้ก็เป็นธรรมะที่เราได้จาก ท่านภพยบูลนะคะของวันนี้ซึ่งดิฉันเข้าใจว่าหน้าที่จะเกิดประโยชน์ยอย่างสูงสุดถ้าหากว่าเราจดจำเาเอาไปใช้ตลอดชีวิตได้เลยก็รกราบนมรดกการขอบพระคุณ<ม>ท่านภพยบูลในวันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคินผานค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะและสำหรับศูนย์ภักพิงของท่านเนี่ยก็เปิดขึ้นมาเพื่อรับผู้น้าท่วมจริงๆเพราะว่าในกรณีที่คนคิดว่าไม่เอาแล้ว อยู่แถวๆนี้แล้วไม่ได้ติดขัดอะไรไม่รู้จะไปที่ไหนอยากไปอยู่ไกลๆถ้าไม่รังเกียจวัดนะคะที่สปายะมากมีธรรมชาติมีผู้คนที่มีอัธยาศัยใจคอดีส่วนใหญ่รอบวัดก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมก็ไปที่วัดป่าดอนหายโศเบอร์ 089-944-6471 ้าี mm ่สหสี่เจ็ดหนึ่งติดต่อไปที่เจ้าของเบอร์เนี้ยนะคะชื่อ คุณสุภาพค่ะส่วนรายการของเราติดต่อมาที่เบอร์เนี้ย 02-269-0006 นะคะท่านจะได้นังสือพุทธว จ, จะนะไปศึกษาว่าพระพุทธองค์นั้นมีวิธีตรัสอย่างไรท่านตรัสสุดยอดนะคะไม่มีหลดุดไม่มีรอดไปในทางที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมของท่านคลาดเคลื่อนได้เลยแล้วก็ธรรมะนั้นล้วนมีค่ามากก็เป็นนังสือที่ ท่านอาจารย์ครึกฤทธิ์โสติทพโลนะคะวัดนาฝาคงนําลูกาคลองสิบ ท, ที่ตอนนี้น้ํากำลังท่วมอยู่วัดเดียวกับพระมาร์คที่มาพบกับท่านในตอนต้นของรายการนี่แหละนะคะมอบให้กับพวกเราวันละ3มเล่มค่ะคําถามก็ส่งมาได้ที่022690006นี้หรือว่าจะส่งไปที่เพียวธรรมะ .com/106 ก็ได้นะคะติดตามรับฟังรายการสำนึกสนทนาดําเนินรายการโดยสำนึกนาคพงศ์กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้พุทธ ว, วัสดีค่ะ